ของพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็เป็นสันดิทิโกเป็นธรรมที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้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 ความสัมพันธ์ของเรากับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นในส่วนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ ส, ดส่งทำหน้าที่ของพระองค์แล้วคือส่งมอบยาให้กับพวกเราแล้วมอบคาสอนให้แก่พวกเราแล้วในหน้าที่ของเราในส่วนของเรา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 เสียเวลากับการหาราบยศสัลเสิญอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เอาเวลาเหล่านี้มารักษาศีลมาภาวนานร่เกิดเป้าหมายของการทำทานทำทานเพื่อเราจะได้เป็นอิสระจากการที่เราจะต้องไป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 ความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็จะอยากมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการเจริญมรณานุสตินี้ถ้าการเจริญมรานาโนสตินี้ไม่ถูกกับอารมณ์ไม่ถูกกับเจริญก็เปลี่ยนได้เลือกอย่างอื่นได้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 ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกถ้ามีการระลึกถึงพุโทโธอยู่ตลอดเวลาใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นนได้ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายได้ ใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายถ้านั่งอยู่เฉยๆใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขคตารมสักแต่ว่ารู้มีอุเบกขาเป็นคุณสมบัติมีความสงบสุขเป็นผลเป็นรางวัล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 ถ้าอยากจะเสบการอยากจะร่วมหลับนอนเพราะเห็นรูปร่างหน้าตาของบุคคลนั้นบุคคล น, นี้แล้วทำให้เกิดอารมณ์ความค่ขึ้นมาก็ต้องพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยงามของบุคคลนั้นของร่างกายนั้นอย่าดูแต่ส่วนที่สวยงามน่ารักน่าดู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 เรามีแต่สติพอเราบริกรรมพุทโธไปพุทโธไปความคิดความใครต่างๆความอยากต่างๆก็จะสงบตัวไปชั่วคราวแต่เวลาใดที่เราเผลอเราไม่บริกรรมพุทโธความคิดความอยากก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้ก็เป็นการระงับดับชั่ว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 ความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาและจะปรากฏอยู่ได้อย่างถาวรพราะความอยากต่างๆจะไม่เกิดขึ้นอีกพราะความหลงได้ถูกทาลายไปความไม่เห็นส่วนที่เป็นความจริงนี้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการดับความอยากนี้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 ความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์อย่างถาววนต้องทำลายด้วยวิปัสสนาภาวนาด้วยความจริงเห็นอสุภะเห็นใยรักเห็นอนิจจังเห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เราหลงไหลคลั่งใคลยึดถือเป็นที่พึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา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 ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปบาเพ็ญศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่นั่นเองเราก็ต้องพยายามที่จะปลดเปื้องสิ่งที่ดึงเราเอาไว้สิ่งที่ดึงเราเอาไว้ก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและบุคคลต่างๆนั่นเองเขาเจ้าจึงสงสอนให้พวกเราสละทรัพย์กันสละเพื่อที่เราจะได้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 ทุ่มเทเวลามเวลาให้กับการสร้างความสุขภายในใจเราก็จะได้ไปเปรีกวิเวกได้เราอยู่ตามลำพังได้เราอยู่ในสถานที่สัปปายะต่อการภาวนาสถานที่สับปายะก็คือเอื้อต่อการภาวนาก็ต้องเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวก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 ก็จะถูกแสงสีเสียงมารบกวนใจมาทำให้ใจนี้ฟุ้งซ่านขึ้นมาได้คิดปรุงแต่งขึ้นมาได้ทำให้ท้อแท้ต่อการที่จ ะ, จะเจริญจิตตวิเวกได้อย่างที่หลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังท่านเคยไปปีกวิเวกอยู่ตามลำพัง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 ต่างๆของคนอื่นคิดแต่เรื่องของตนเองคือการเจริญสติเพื่อระงับความคิดที่จะทําให้เกิดความท้อแท้เบื่อห่ายความคิดที่จะทําให้อยากกลับไปหาความสุขเหล่านั้นอีกนี่คืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่จะมาคอย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 รู้ได้ด้วยตนเองสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตภรกวตาธรร ม, มหรือไม่ตัดไว้ชอบแล้วหรือไม่เป็นโอปะนะอิโกหรือไม่เป็นอาการลิโกหรือไม่อยู่ที่สันติิโกอยู่ที่การพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติทีมของพวกเราจงมีความแน่วแน่มั่นคง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 จันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสัพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริษะนิจจังวุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติ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 เ้าเรียกว่าจริญไตอนนี้จริญของเรามันกำลังอยู่กับเรื่องอะไรอยู่ถ้าอยู่กับเรื่องกามอารมณ์ก็ต้องพิจารณาอาสุภะถ้าอยู่กับความโกรธแค้นโกรธเคลืองอาฆาตปยาบาทก็ต้องเจริญเมตตาภาวนาเฉนั้นถ้าเราใช้กรรมฐานไม่ถูกกับเจริตของเราถูกกับปัญหาของเรา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 อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือให้เห็นพุทธโธอยู่ทุกขณะก็ได้ให้บริกรรมพุทธโธอยู่ทุกขณะหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายทุกขณะก็ได้ดังนั้นก็ขอให้ลองไปพิพพพจารณาดูดูว่าเวลานี้เราควรจะใชะ้กรรมฐานชนิดในเพื่อที่จะกำกับควบคุมดูแลจิตใจให้สงบ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 ไม่ใช่มีผู้หญิงคนเดียวในโลกนี้มีในเมืองไทยก็มีอย่างน้อยสามสิบกว่าล้านคนหาหม่แคไว่าหาไม่ได้เลยครับถามต่อไปจากคุณนันดวงนภาหนูมีความหนูมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการมุ่งสู่พระนิพพานหาเป้าหมายของการดับขันห้าตัดกิเลสและปัญหา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 เพราะจะทำให้ใจเรานี่เครียดมากขึ้นไม่ใช่ความทุกข์น้อยลงไปเครียดเพราะเราจะต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะจะต้องถูกจับไปลงโทษตายไปเราก็ต้องไปใช้กรรมในนรกเองดังนั้นให้ใช้ปัญญาหยุดความอยากให้มองให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในบุคคลที่ทำให้เราโกรธเกลียดอยากจะฆ่าเขา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 เป็นบทเรียนสอนใจว่าเราเผลอสติเราขาดสติเราควรที่จะเจริญสติให้มากและเจริญปัญญาให้มากเพราะการกระทำไรผิดพลาดนี้ก็เกิดได้สองสองสองประการด้วยกันนอกจากเหตุสุริสัยก็คือเกิดจากการเผลอสติทําไปโดยที่ใจไม่ได้จดจอ่อเฝ้าดูการกระทําของเราหรือทําด้วยการขาดปัญญาทํำแล้ว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 แล้วก็กืนอาหารเข้าไปในปากเข้าไปในท้องขณะที่ขณะที่ึเคี้ยวอาหารก็ให้พิจารณาความเป็นปฏิปุลความไม่ดูไม่งามของอาหารที่มีอยู่ในปากอาหารที่เขาจัดมาอย่างสวยงามอยู่ในจานเวลาต่างเข้าไปในปากแล้วก็ต้องสบประบอกเพราะจะต้องคลุกกับน้ําลายที่มีอยู่ในปากแล้วก็ต้องถูกบดถูกเคี้ยวด้วยฟัน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 เพราะว่าถ้าล้างเท้าได้ป่นแล้วบรรลุได้บั่นนี้ก็บรรลุกันหมดแล้วง่ายจะตายไปล้างเท้ามันจะไปยากตรงไหนที่มันยากก็คือมันต้องปีกไวเวกไปภาวนากันเรายังไม่ได้อยู่ถึงเรายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่นั่นเองจึงทําให้เรายังไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าเราปีกไวเวกบรรลุ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 ตอนนี้หนูสมมติฐานเองว่ามันจะเป็นอาการป่วยทางจิตได้ไหมคะอาจารย์แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเจ้าตัวไม่รู้ตัวว่าตัวเองเครียดหรือว่ามีความเครียดตกค้างอย่างี้ค่ะวิธีการที่เขาควรจะปฏิบัติเพื่อกำจัดความเครียดตกค้างในจิตควรจะทำยังไงคะอาจารย์ก็ต้องภาวนาเจริญสติทำใจให้สงบแล้วความเครียดต่างๆก็จะหายไปความเครียดเกิดจากความคิดตุงแต่ง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 ความเครียดที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปอย่างถาวรออีกคําถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือเวลาที่เราทําบุญให้บรรพบุรุษ น, นะคะเราก็ต้องมีเท่ากระดูกก็มาด้วยตรงนี้เป็นเพียงกุศโลโบายหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับพระอาจารย์ก็ให้เราดูอนาคตของเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเพื่อ <c oughs> ที่เราจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบทําบุญเสียแต่วันนี้